264. นิยสกรรมมะปฏิปสัสสธิกถาว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับนิยสกรรม 445. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงตัดชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับนิยสกรรม าพาภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงนิยสกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระ ง, งับนิยสกรรมเอาละพวกเราจะระ ง, งับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น แล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูประงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรีย kind of งกันโดยทำปฏิรูประงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น